อ้าเดี๋ยวเข้าเรื่องเมื่อวานนี้ต่อนิดหน่อยเรื่องวิริยะบา ร, รมเีเมื่อวานนี้พูดถึงในเรื่องของตัวกุศีตวัตถุแปดประการก็พูดถึงว่าบุคคลผู้มีความคิดอย่างนี้ก็ย่อมจะเกิดท้อแท้ไม่ปาราศความผิดกุสีแตกุศีตะ สีแต่วัตถุเรื่องราวที่ทําให้เกิดความเกลียดค้านหรือข้ออ้างผลเกลียดค้านก็มีอ้างว่าเราทํางานเมื่อเราทํางานเราจะลําบากอย่ากันนั้นเลยเขอนอนดีกว่าเนี่ยเป็นต้ น, นเนี่นะเราได้ทาการงานแล้วร่างกายเราอ่อนเพลียนอนดีกว่าเมื่อเราเดินทางร่างกายเราก็จะลําบากขานอนดีกว่าเป็นต้นอะไรเนี้ยเกี่ยวในการเกลียดค้าทั้งหมด ทีนี้ไปพูดถึงในเรื่องของปฏิทาปณิธายัางคหมายถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้มีความเพียรทางจิตอันนี้เป็นวิริยะเนี่ยเป็นวิริยะเจรสิกเป็นประธานมีอยู่5ประการนะประการก็คือ 1. สัตโธเป็นผู้มีศรัทธาก็คือว่าเชื่อในปัญญาตัสรุของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าพราะองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจา ก, กิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชา8จารณะสพระพุทธเจ้าเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเออเราก็อยากยังให้พระพุทธเจ้าฝึกเราจากผู้ไม่มีสติไมมีสตาเป็นต้นางนที่เราเข้ามาศึกษา ในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นบรมครูที่สามารถฝึกเราได้สามารถจะสั่งสอนเราได้แนะนำพร่ำสอนเราได้ก็เกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้เกิดกําลังใจขึ้นมาเห็นไหมเกิดความเชื่อเชื่อไหมว่าพระเจ้าสอนเราได้และเชื่อไหมว่าเราเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกเออแต่เชื่ออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็กระบวนการแห่งการที่จะเรียนรู้การฝุกผลเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยโยมที่มาเมื่อวานสังเกตดุไหม ให้เรีนแชมป์พูดเรื่องอานิสง์ของการรักษาศีลการโทษการรักษาศีลให้เธอฟังไม่ใหม่ที่เธอมาเนี่ยดูหน้าเธอทํำเซ็งเซงเซ็งก็คือเธอเบื่อเธอไม่อยากฟังแล้วไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นเห็น ไ, ไหมเนี่ยเห็น ป, ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีแนตะ่คนลักษณะนี้เขาเป็นคนอะไรผิดหวังผิดหวังในชีวิตมาเป็นคนเซ็งเป็นคนซึมเป็นคนเบื่อหนาย มาจากกิเลสตัวไหนอ่าวเรามาวิเคราะห์กันอีกที อ, อ้าวเห็นยมเมื่อวานเนี้ยให้เขาชื่ออะไรจําได้ไหมโนริโก้ฮะโนริโก้โโกใช่ไหมเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมอ้าวเห็นไหมเมื่อวานเนี้ย ล, ลูกว่ายอมโนริโก้ที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้พูดลับหลังเดินนะเธอเป็นคนถูกกิเลสตัวไหนกลุ้มหลุมอ่าว ตุกิเลตตัวไหนกลุ่มรุมโลพาโทส่าหรือโมหะเน้นช้างบอกโมหะอันเน้นบอมตุกิเลตตัวไหนกุมรุมก็มีหมดลอ่ามีหมดเลยไม่ชัดใช่ไหมเล่องกำบานทุดินนี่อ่ะตัวไหนเด่นเน่กิเลตตัวไหนเด่นโทสาฮะโทส่าอ๋อจบอกานะก็อยู่ในโลหะไนบอกว่าโทส่าเด่นใช่ไหมส่วน แชมบอกว่าโมหะโมหะแปหลงไปมึดบอดเนีเยส่วนบอมบอกว่าเด่นทุกตัวไม่ใช่ครับบอกว่าเด่นี่ก็น่าะครับอลวงพ่อใช่หลพเด่นลวพ่มานจริงๆนะถ้าเราสังเกตหน่อยเนี่ยตัวที่เธอเด่นชัดๆก็คือขีน้ำมิทันพอทูแล้วท้อถอยเห็นไหมั้ยอย่าๆยไปกดเดินน้ำมับ นะ้นตัวเซงซึมเบื่อเนี่ยตัวนี้จะชัดเห็นไหมเธอจะมีความรู้สึกเบื่อตัวเองเซงตัวเองแล้วมันก็จะมีตัวมนันนะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่จริงๆเห็นออกมาได้ชัดก็คือตัวทีนัมมิทัสมดูทอถอยในอารมณ์ไอ้เขาไอ้มดูทอถอยเนี่ยสังเกตตรงไห น, นสังเกตตัวที่เธอเธอบอกว่าเธอเบื่อ ทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเบื่อหน่ายได้เกินเบื่อจนไม่อยากจะทําอะไรแล้วทําอะไรก็ล้มเหลวทําอะไรก็ล้มเหลวไปๆไมาๆตัวถีรามิทะก็เลยไปกระตุ้นในตัวมานะท้อถอยเออเป็นมานะท้อถอยเลยใช่ไหมไอ้ตรงนี้ถ้าถามถึงนังอกุศนก็แน่นอนก็อยู่ในโลภะตัวสัตว์เลยแต่ว่าจริงๆไอ้ตัวเด่นจริงๆเนี่ยมันกับกลายเอกสภาพตัวที่เด่นขึ้นมาตัวหดหูท้อถอยเซง็ง ซึมเนี่ยตัวเซ็งตัวซึมตัวหดหูไม่กระตือรือร้อนอะไรเลยไม่อยากทำอะไรไม่อยากรับรู้อะไรไม่อยากไปข น, นขวายอะไรแล้วว่างั้นจะเบือนานะนั่งเซ็งเซ็งซึมซึมแม้มาหาพระก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยไปไปมาก็เลยอยากจะไปหาเห็นไหมเธออยากจะไปหาพาาระอรหันต์ถ้ารู้ว่าใครเป็นพาาระอรหันต์ไปจังเลยไปหาองค์นู้นองค์นี้ไปเรื่อยเธอมีความรู้สึกว่า ถ้าไปหาพระอรหันต์แล้วเขาจะช่วยเธอได้เป็นมีความเข้าใจว่าพระอรหันต์หรือคนศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคนมีอานาจจะเสกให้เธอพ้นจากสภาพอย่างนั้นได้นี่ความเข้าใจรักไหยผิดหรือถูกจริงๆแล้วเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยถ้าถีน้ำมิถะเนี่ยพอถูท้อถอยเซงหรือมานาถดถอยทั้งหลายอลไรเนี่ยต้องแก้ได้ด้วยอะไร อ๋อแก้ด้วยอะไ ร, รอ๋อแก้ด้วยอะไอวิธีเไ <แก S 1> อ้กิเลส ต, ตัวนี้เด่นเนี่ยกิเลสทีนัมิทะเด่นมานาเกิดเด่นมานาแบบประเภทที่มานาผิดหวังเนี่ยเริ่มทีทีทีพวกนี้ไม่ใช่ฟูนะพวกนี้แฟบถ้าฟูขึ้นหนึ่งพวกยกตนชูตนใช่ไหมยกอวดอันนี้ไม่ใช่แล้วหมดสภาพเลยคือผิดหวังมาทําอะไรก็ไม่จบ แก้ด้วยอะไรดีฮะเมตตาตัวเองครับอ่าเมตตาตัวเองสมาธิอ่าแก้ด้วยสมาแชมแก้ด้วยอะไรดีเนี่ยถ้าเราไปเจอปัญหาจะแก้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมวเวลาเราเจอบุคคลทั้งหลายเราก็จะมองไม่ออกว่าหนึ่กิเลสตัวไหนเขาเกิดแรงเออบางเธอเผยๆตัวเราเองยังไม่รู้เลยนีย่หนักเลยแก้ด้วยอะไรรู้ไหมไม่ได คิดไม่ออกใช่ไหมให้สังเกตุไหมว่าเรามาที่แรกปุ๊บอาจารย์บอกว่าไงอาจารย์บอกให้เธอมีศรัทธาในไหนในพระพุทธเจ้ญญาเธอก็บอกว่าเธอเชื่อโอเคเธอเชื่อพระเจ้ญญาฉันเชื่อพระเจ้ญญาเนี่ยอาาย่ก็ถามต่อว่าเออเธอเชื่อพระเจ้ญญาแล้วแล้วเชื่อตัวเองไหมเธอบอกไม่เชื่อ อ่าทำไมเชื่อพุทธเจ้าพระุทธเจ้ามีบา ร, รมีแล้วตัวเองไม่มีบา ร, รมีเนี่ยการลักษณะนี้เห็นชัดเลยว่าพุทธเจ้าสุดยอดแต่เราสุดแย่ใช่ไหมลักษณะนี้บอกให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าจริงถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าจริงต้องเชื่อตัวเองด้ไหมเพราะพรุทธเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าอ่าพพุทธเจ้าฝึกให้ดูหรือเปล่า พระเจ้าฝึกในศีลในสมาธิในปัญญาให้ดูจนสามารถจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะเป็นสมาสัมพุทธะได้แล้วพระเจ้าก็มาบอกว่าเออเนี่ยแล้วเธอเป็นมนุษย์ไหยฉันเป็นมนุษย์ไหมล้วเชื่อตัวเองไหมว่าฮะเชื่อไหมว่าตัวเองจะสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยความเชื่อมั่นตัวเองเหตุผลก็เราเชื่อมั่นพระเจ้ธธาบุคคลเป็นแบบเราก็เลยหันเอาความเชื่อมั่นย้อนมาดูตัวเองว่าเอ้า พระเจ้าเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ภาษาริบบทพระพุทกาลนะเป็นท่านผสมความสำเร็จท่านเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์เออมนุษย์สามารถจะฝึกแล้วก็ฝึกได้เออเราจะฝึกพฤติกรรมให้เป็นไบกสิณฝึกจิตให้เป็นใบกสสมาธิฝึกทัศนะความเห็นให้มีปัญญาให้เกิดขึ้นถ้าเธอถ้าเธอเชื่ออย่างนี้เธอจะขจัดขจัดธีนมิท้ได้ไหมพอดูท่อถอยได้ไหมขจัดไอมานะถอดถอยได้ไหม อก็ขจัดได้กออ็มีกำลังใจขึ้นมาเนี่ยอันนี้นี่พอชี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยแกก็เออไม่เข้าใจมันสื่อกันยากไลยตรงเรื่องภาษามองเออไม่รู้จะสื่อยังไงมองรู้อยู่ว่านี่เป็นยังไงแต่เนี่ยคือความการุณาที่เกิดขึ้นว่าเออเนี่ยมันหาคนสื่อยากมนุษย์ทุกวันนี้มันจมอยู่กับปัญหาตรงนี้แหละนี่วิธีการดูดูบุคคลอื่น แล้วก็ย้อนมาดูตันเองแต่นี้อ้าวแต่นี้ว่าเอาใครก่อนแตเนี้เอาไหนคิดว่าตนเองกิเลสตัวไหนเด่นอ่าโลภะตัวสาวโมหะอะกิเลสตัวไหนเด่นอ่าอะโลภะเด่โมหะโมหะโลภอ้าวบอมคิดว่าเออตนเองกิเลสตัวไหนที่เด่นมันออกมาเพ่นพ่านอยู่เลยตัวไหนเด่นอ่เคยเคยอ่านนะเคยเคยสังเกตตนเองน ไอ้กิเลสตัวไหนตัวเองมันเด่นที่สุดตัวไหนอาสาตัวนี้ก็ได้แล้วมันเด่นออกมายังไง น, น, นะสังเกตดีๆตัวไหนสังเกตไหมรู้ไหมว่าตัวไหนของเราที่เด่นทีนน่สุกกดตัวไหนวิกฤติฉาาอ๋อวิกฤิฉาาสงสัยใช่ไ สงสัยในอะไรที่ว่า ย, ยี่วิจิกิจฉาดีสงสัยในทะไรสงสัยในพระเจ้าไห ม, ไมในพระธรรมหรือสงสัยในพระสง์หรือสงสัยในสิกขาสามศสีน ส, สมาธิปัญญาว่าจะสามารถเป็นหลักการในการนำผู้ปฏิบัติให้ถึงนิพพานได้จริงหรือสงสัยไหอ้วออาวแล้ววิจิกิจฉาตัวนะ วิจิตรชาต้องสงสัยพวกนี้นะสงสัยในพระเจ้าอาพระเจ้ามีจริงหรือพระเจ้าตรัสรู้จริงหรือพระธรรมหลักการที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยมรดสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยเป็นสภาวะวาที่เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงหรือเปล่าเป็สสนทางเดินเนี่เข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงหรือเปล่าสงสัยในพระสงค์จริงหรือคนละกิเลสได้จนสามารถจากคนดุจชนเป็นอริยาน สงสัยในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญาว่าจะสามารถเป็นข้อฝึกบทฝึกเป็นแบบฝึกขัดพฤติกรรมทางกายวาจาและฝึกจิตของมนุษย์ตลอดลึกปัญญาให้สามารถเข้าถึงความจริงได้สงสัยตรงนี้มไม่สงสัยอ่าแล้วมันสงสัยตรงไหนสงสัยได้เลยที่ว่าเป็นวิจิตรฉาตัวไหนหเป็นยังไงเป็นเป็นยังไงข้อไหน ไม่ไม่ค่อยเลือกว่าจ่าทำอะไรดีรอ๋อลังเลลังเลว่าเราจะไปยังไงงงงงในชีวิตโอเคนี่ก็เรียกโมโมอหาจิตเดี๋ยวตรงนั้นก่อนเดี๋ยวไปว่ายทีอ้าวแชมป์คิดด้วยตนเองมีกิเลสตัวไหนที่เด่นที่สุดโมฮะโมฮะโมหาตัวไหนลังเลสงสัยหรือหรืรองพงซ่านพงซ่านพงซ่านอ๋อพงซ่านการเสพฮะพงซ่านการเสพอ๋องซ่าน ในการเสพไม่ใช่ฟังซันแล้วก็เสพด้วยอ๋อเสพก็ต้องเป็นโลภะสพคิด<า>ชอบโลภะของ่มมาน oh, <okay. S 1> อ๋อติดในเกมใช่ไหมอะไรก็ได้พวกเอนเตอร์เทนเป็นเท่าไหร่อ๋อทีวีหนังเกมมเพลงอ๋อเนี่ยติดจริงเสพ <Okay. S 1> ติดจริงเสพไม่ชอบศึกษาแต่ชอบเซสพอย่างนี้คือคอะไรออกรณีอย่างนี้คือกลุ่ม โลภะมีกำลังโลภะมีกำลังไม่พอเนีถ้าไม่ได้สิ่งเสพแต่ลนั้นก็โกรดเลยชอบชอบเสพชอบสนุกสนานชอบล่าลเริงติดเนี่ยสรุปแล้วก็หนึ่งเข้ า, เขาดูตัวเราท้องกิงเองออกจุดหนึ่งคือพงพงซานลำคาญใจได้ไหมหงุดหงิดอยู่เรื่อยเลยเป็นไม่เป็น ฟงไปเรื่อยมคิดเรื่องนั้นไปเรื่อยคิดเข้าเลากจะฟุ้งซ่านเ่อควาอยากจะเข้าเลยะอ๋ออย่างนี้ก็เลยอุธทจากอุดทจักอุดทจักี่ความฟุ้งซ่านถ้ากุกุดจะาลำคาญใจมันมีสองตัวนะอุดทจ่านี่มันจะฟุ้งฟุ้งซ่านเลยฟุ้งซ่านมันจะรับอารมณ์ไม่มั่นคงรับอารมณ์มันคิดไปเรื่อยคิดเรื่องปั๊บไปเรื่อยๆๆเนี่ย แต่ถ้ากูกูจาก็ลำคาญใจว่าเออเราไม่ได้ทำดีเนี่ยอดีตที่ผ่านมาแล้ ว, ลวก็โอ้ยเราอยากจะเป็นนุนเป็นนี้เรามันไม่ได้เป็นเนี่ยมันก็เลยทั้งอดีตอ น, นาคตอดีตอ น, นาคตไม่ไม่จัดการในปัจจุบันให้ชัดเจนลงไปเออนี่แต่นหนอ่ะตัวไหนหลวพะหวงปาติดอยู่ไหมติดใจไฝ่กระสัน โอ้โหเี่เราจะเห็นไหมว่าเราต้องสังเกตตัวเองให้ดีนะถ้าเราไม่รู้จักกิเลสตัวไหนของเรามันเด่นเราจะแก้ตัวเองไม่ไดนอา้าวตัวเนี้ยเอาตัวไหนก่อนเอาวิจิกิจฉางงงในตัวเองเนี่ยวิจะทํำยังไงเป็นไหมตัวเนี้ยไอตัววิจิกิจฉานะเราจะแก้ยังไงวิจิกิจฉาแก้ยังไงคือการกไม่กําหนดทำนะไม่กําหนดที่จะแน่นอนลงไป มันจะรู้สึกว่าี่จะทําอะไรดีเอออยากจะบวชหรืออยากจะศึกงงๆอยชีวิต น, นี้ไปเงี้ยเนี่ยมันจะบวชก็มันก็ทําได้ไม่เต็มที่ไอ้จะศึกก็กลัวนี่นะจะได้ไม่เต็มที่อีกเหมือนกันชีวิตมันก็เลยอยู่อย่างนี้ตลอดถ้าอย่าไปคิดมันเลยตัดสินใจไม่ได้เป็นแบบนี้ไหมเป็นไม่เป็นแบบนี้ เออเนี่ยนี่วิจิกิจฉาเขาเรียกไม่กําหนดไม่กําหนดทำขาดอธิมโมกไม่ตัดสินใจเนี่ยไม่ไม่เหตุผลตรงนี้วิจิกิจฉาเนี่ยเขาเรียกเป็นโมโ ม, โ ม, โมโหจิตมันหลงพอไปถึงทางสองสองแพร่งปุ๊บเนี่ยมันก็งงว่าจะไปไงวัดเดิมมันไปทั้งสองได้ไหมทางมันแยกกันเนี้ยเราสามารถไปพร้อมกันได้ไหมสองทางเนี่ยได้ไม่ได้เอาฉีกตัวพุทธ ไอ้ท่อนหนึ่งไปนี้ให้สิ่งหนึ่งไปขวาอ้สิ่งหนึ่งวิ่งไปซ้ายได้ไหมไม่ได้มันก็จะต้องเอาทางใดทางหนึ่งอย่างไหแต่วิจิกิจฉาที่มันตัดสินใจไม่ได้จะเอาอยัางไงจะไปยังไงแล้วก็มานั่งทอนั่งคงุมอยู่อย่างนั้นแหละเนี่ยนะมันก็เลยฝังเวนัตยาศัยวิธีการคือศึกษาข้อมูลให้ชัดไอ้ตัววิจิกิจฉาเนี่ยก็เรียกศรัทธาสัทธ า, าน้อย ศรัทธาหรืแก่กันเพราะศรัทธาจะหนึ่งพองสายเชื่อมั่นแล้วมันจะแหลนแบบนั้นเพิ่มต้องเพิ่มศรัทธาวิธีเพิ่มศรัทธาทำไงเขาหาบุคคลผู้มีศรัทธาใช่ไหมสมาคมก็หาเับผู้มีศรัทธาหลีกหนีห่างไกลกับคนที่ไม่มีศรัทธา แล้วก็ฟังคุณของพระพุทธเจ้าเยอะๆศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มากนันจะแก้ได้แล้วะต่ข่าวะเข้าใจมันจะดิ่งเข้าไปในสิกขาสามแล้วจะดิ่งไปด้านธรรมะพอมองอย่างตอนนี้อ่าตอนนี้แชมป์อะแชมป์เขาเปิดเพรี้ฟงสร้างกับติดสิ่งๆใช่ไหมเออเจะแก้ยังไงอ่ะเดี๋ยวให้้องถามเขาดนถามดุนอ่าหนูออกไปเป็นคาราวานหนูจะแก้ยังไง อ่าเมื่รู้กิเลส ต, ตัวนี้ตัวนี้แล้วจะแก่ย่งไรคิดอยากแก้ไหมฮะไม่อะอยากแก้แล้วที่วางแผนไว้จะแก้อย่างไรอ้าวหรอต้องทุกคนต้องมีแผนนะไม่ได้วางไม่วางเลยไม่ได้วางอ้าวอย่างนี้ก็ไม่ไม่พร้อมที่จะแก่ทีอ้าววิธีการวางนะเดี๋ยวให้ให้วิธีคิดแล้วติดอะไรกีดูหนัง มันติดอะไรบ้างฟังเพลงอันไหนมากที่สุดเกมเกมมากที่สุดเอาอะไรทีนี้วิธีการก็คือว่าให้สัจจะ ก, กับตัวเองเอาละเออที่ผ่านมาก็ลองสังเกตดีว่าเราเนี่ยเสพเกมเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในชีวิตตลอวันหกสิบหกสิบเอร์เซ็ ือเกิดไม่ไปโรงเรียนก็แค่สามสิบเสเกมเกิดไปโรงเรียนก็ไสามสิบอ๋อถ้าเกิดไม่ไปโรงเรียนก็มาเจ็สิบโอ้โหเจ็ดสิบหกเจ็สิบสไอ้ที่ว่าไปเรียนหนังสือที่เราได้เสีแค่สามสิบเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาใช่ไห ม, ไ ม, มแต่จริงๆใจก็โหยหาเขาตลอดใช่ไมใช่ไหใช่เออเนี่ยวิธีการนี้ก็หนูต้องตั้งสจัดในตัวเองว่าเอาละ เออเราจะเล่นเกมมันจะมีสองส่วนมาโดยมากเราเล่นเพื่อเสพหรือเล่นเพื่อศึกษาอย่างก็คือไม่น่าถึงจริงถามว่าศึกษาเราศึกษาเกมศึกษาอย่างไงเออคาว่าศึกษาของหนูเนี่ยที่บอกไปเล่นเกมปุ๊บมันได้ศึกษามั น, นตอนนั้นความรู้สึกเป็นยังไงคำว่าศึกษาก็เล่นก็เล่นเกมหลายแบบแล้วก็เปลี่ยนแบบไปเรื่อย ม, dadurch, okay. มีเป้าหมายเพื่ออะไรถ้าศึกษาต้องมีจุดหมายถ้าไม่ศึกษาเนี่ยมันก็เสียไปเรื่อยเรื่อยเล่นไปเรื ay, ่อยรืยไม่เรียกว่าศึกษา <EZ: S 1> แต่ถ้ามีจุดหมายปุ๊บขึ้นมาก็บบาคืออยากรู้ว่าตอนจบยังไงแล้วอะไรต่อไม่ถึง จ, จ, จบแล้วก็เแต่เลิกอแล้วจบแล้วมันเคยคิดไหมว่าเกมนี้มันให้อะไรเออมันให้อะไร มันให้ข้อคิดอะไรเรามันให้แบบอย่างอะไรกับเรามันให้ข้อมูลอะไรกับเราแล้วเกมนี้เขาต้องการสื่ออะไรแล้วทำไมคนจึงไปชอบเล่นเกมนี้มากเกมอื่นไม่ชอบมันเพราะอะไรเราเคยหาเหตุหาผลในเรื่องนี้ัหมถ้าหาเหตุหาผลในเรื่องนี้จริงๆอย่างนั้นเ็าเรียกอะไรเขาเรียกเสพรู้ศึกษา ศึกษ า, กษาแต่ถ้าเสพก็คือเอาอะไรเพลินสนุกชอบไม่ชอบไอ้ น, นี่คือเสพถ้าเสพเนี่ยแปลว่าไอ้สมองมันจะมีสองส่วนใช่ไหมสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนหลังถ้าเสบเนี่ยมันจะอยู่กับสัญชาตญาณจะใช้สมองส่วนหลังมากเหมือนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยชอบก็อู้เข้าหาไม่ชอบก็ก็หนีหรือกลัวขึ้นมาเนี้ย ชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบพอมนุษย์ใช้สมองส่วนหลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไอ้สมองส่วนหน้าที่เรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องการศึกษามันไม่ได้ทํางานคนคนนั้นก็เลยอยู่แค่สัญชาตญาณนะข้าวนะข้าวก็เป็นเหมือนเจ้าเมฆอยู่แค่ชอบก็ไม่ชอบก็อยู่แค่นั้นเองชีวิตเนะี่ยเอาแล้วเราก็เห็นตัวอย่างเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเอยถ้าเราขืนเป็นนักเสพเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นอไอ้อย่างเนี้ยเฮ้ยไม่เอาเ้ย ทำยังไงเราจะเพิ่มจากเสพกลายเป็นศึกษามันเลยใช่ไหมเอาวิธีการทำไงก็คือตั้งลำดับแรกก็คือตั้งเอาแล้วเราจะเล่นเกมเนี่ยเราจะเล่นเพื่อศึกษามากกว่าเสพทำได้ไหมตั้งตั้งตั้งสัจจะตั้งความรู้สึกนี้นะสองเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาเขาเป็นอธิบดีลง เข้าใจคำว่าอธิบดีลมไหมคือคิดถึงเขามากเกินไปแล้ไปอยู่อย่างนี้เราก็คิดถึงเขาองี้อันนี้อันนี้เกินเหตุแล้วเราไปคิดถึงเขาเนี่ยเกินก็เหตุมันเลยเสียอะไรเสียภาวะที่เรากำลังเป็นอยู่เช่นตอนนี้เรากำลังทำอะไรใจเราก็ไปโหยหาถึงเขาตลอดอันนี้แปลว่าเรากิจกรรมของชีวิตของเรานี่เลื่อนลอยเลยแทนที่เรานั่งตรงนี้เราจะได้ฟังได้ข้อมูลใดๆ ได้อย่างชัดเจนก็ไม่ได้ใจเราก็ไปโหนคิดถึงเขาเฮ้ยเกมรุ่นเกมนี้มาใหม่เฮ้ยตอนเรามาวดเดือนสองเดือนนี่เฮ้ยมันมีวัฒนการเกมอะไรมาใหม่ๆแล้วจะตกข่าวตกสิ่งเสพหรือเปล่ามันไปอย่างนั้นเลยพุ้นเลยหรือบางคนไปเล่นเกมอะไรเข้าไว้ตายแล้วต้องไปเริ่มใหม่หมดแบางคนต้องกัแนนลงไปเนี่ยกลายไปเสียไปรำเวลาเสียมองอย่างไงตอนเนี้ยอ้าวสรุปก็คือตั้ง สัจจะไว้กับตัวเองว่าเราจะเล่นวันหนึ่งกี่ชั่วโมงก่อนอ้าวันหนึ่งสาสิเปอร์เซนต์สมมตินะและในสามสิเปอร์เซ็นเนี่ยต่อวันที่เราได้ไปเล่นกับเขาแล้วเราจะเสพกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ให้เสพน้อยศึกษาให้มากขึ้นนี่มีวิธีคิดถ้าวันไหนอยู่บ้านเอาหกสิบเอร์เซ็นในการอยู่กับเขาอเคเจ็ดส oh. ิบหนักเลยเออเจ็ดสิบแล้วมาแบ่งเนี่ยศึกษากี่เปอร์เซ็นต์ เจ็ีเปอร์เนตเออีนี้ก็ถ้าเราไปไปให้ตัวเองโอ้โหเสพตลอดแล้วไม่พัฒนาไม่พัฒนาก็กลายเป็นคนเออทำไมเราต้องมาหนึ่งสิ่งที่ควรเป็นก็คือเราต้องอยู่กับโลกความไปจริงใช่ไหมนี่วิธีการแก้การแก้ก็คือว่าเอาโลภานี่แหละเอาความชอบนี่แหละ เป็นฐานเดินเลยแต่พอเราชอบที่จะชอบสิ่งนี้ปุ๊บแต่เราจะศึกษามันเข้ยาใจไหมนี่แปลว่าอะไรเนี่ยเอาความชอบเป็นฐานก่อนเบื้องต้นพัฒนาจากความชอบเข้าไปสู่ศึกษาเข้าไปสู่ฉันทะศนเลยเนี่ยโลภเนี่ยอยากชอบดีนะเอาความชอบนี่แหละไม่เป็นไรฉันไม่ห้ามคุณแต่ฉันจะศึกษานะเออเอาไปเกณฑ์ฉันทัศไฟรู้ไฟศึกษาไฟเรียนไป ที่จะวิจัยแยกแยาเสเิยหมอออกอยางแก้ได้ไหมแบบนี้ลำดับแรกก็คือบางทีเราเห็นโทษมันหรือเปล่าทั้าสิ่งเสียดเห็นไหมเห็นว่ามันเสียสุขภาพเสียเวลาเสียโอกาสอะไรเยอะหมดใช่มั้มันให้โทษแก่ชีวิตจิตใจเราอย่างไร แต่ถ้าเราศึกษามันจะให้คุณกับชีวิตจิตใจยอย่างไ น, นก็แยกสองส่วนนี้ให้ชัดเออเนี่ยนะถ้าแยกสองส่วนนี้ชัดอา้าวมนุษย์มันจะเริ่มไปอะไรตัวเนี้ยมันจะไม่อยู่แค่เสพมันก็จะศึกษาเลยนัเขา้านะกเขาก็กลายเป็นพัฒนาได้เลยเออถ้าเวลาใดเสพตอนนั้นชื่อว่าไม่มีการศึกษาไม่เรียกว่าพัฒนาแย่เลยนะมนุษย์เลยแย่เลยนัเข้านักเขาเลยแย่เพราะสเดลฉาดนี่ เออสเดจชาตมันยังฝึกได้บ้างอันนี้เราฝึกไม่ได้เลยนี่ยุ่งกว่าสเดรชาตินี่เดินน้าข้าวน้าข้าดูทีเนี่ยทุกวันนี้เด็กเพี้ยนเพียนขึ้นมาว่างๆแมเส ด, เด็จได้จะบอกแม่เจี่แชมป์พาพาเจ้าเนรแชมป์เนี่ยไปวสึกไปนะเดี๋ยวให้แม่พาไปที่หมู่บ้านเลยนะบ้านกาญจนานี่ยไปดูเด็กเสพแล้วบรรพลายชีวิตเป็นยังไงแล้วตอนนี้ต้องไปอยู่บ้านอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ พอไปเข้าไปได้ครูดีได้สิ่งแวดล้อมดีเขาก็เริ่มฝึกตัวเองจากเด็กทําเสียหายเยอะแยะหมดนี่ไปดูนี่หลายร้อยคนนี่รุ่นรุ่นเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยทําคดีหนักๆก็เยอะคดีค่าเขามีลักทรัพย์ขเขามีคมคืนเ้ามีโอ้เยอะหมดเลยไปไปมาเขาต้องเอาไปฝึกกันใหม่หมดเลยจากการดีคนโหดร้ายให้รู้จักเข็นอกเห็นใจยังไงเราเราต้องฝึกใหม่หมดนี่เสียเวลาเสียโอกาสอีกเยอะเออ เนี่ยพ่อไม่ได้อพ่อไม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตึงเนี้ยอ่าวแต่นี่พูดถึงเรื่องของคุณสมบัตินะของผูท้ที่เอ๊ะหมดหรือยังท่านไนแก้อย่า ง, างไงอันเดียวกันนี้ได้เลยใช่ไหใช่ครับ เ, เห็นโทษเห็นโทษของสิ่งเสก่อน เ, ออเห็นโทษสิ่งเสกเห็นเห็นประโยชน์ งั้นอันดับแรกก็คือคุณสมบัติของบุคคลที่พลเพนเพียนทางจิตเขาเรียกว่าประธานียังคะประธานียังคะองค์แห่งความเพียรอันดับแรกก็คือความเชื่อมั่นในพระรัตนตรคือเชื่อมั่นในพระเจ้าในพระธรรมประสงค์ว่าพระเจ้าเป็นบุคคลผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้จำแนกแกแจงพระธรรม โอเกิดความเชื่อมั่นอย่างนี้จิตใจก็ตรงนี้บอมต้องเพิ่มเยอะๆแสดงว่าพุทธคุณน้อยไปหน่อยใช่ไหมพอพุทธคุณในใจน้อยวิจิกิจฉามีกำลังลังเลสงสัยเนี่ยไมเหตุผลเพราะเราไม่ฟังคุณของพรุทธเจ้าเยอ ม, มากให้มากคือไม่ได้ศึกษาท่านถ้าศึกษาท่านปุ๊บโอ้โหมันจะมีเรื่องที่น่าศึกษาเยอะเลยเช่น เวลาศึกษาโดยมากเราไม่ได้เอาเรื่องชาดอกมาวิจัยบ้างอะไรบ้างเนี่ย่าลองอยากฟังชาดอกสักเรื่องไหมเอาไหมเรื่องอะไรอาเรื่องอะไรอะ่ะไปให้ได้ไหเอาลมากกะสปาชาดอกดีไหมคืออะไก็เป็นลือสีท่านอบรมบําเพ็ญปัญญาสมาบัติ ในวันที่เดเนี่ยก็คือเข้าไปอยู่ในป่าต่อมาท่านก็บรรชาเป็นวันประชิตธิะก็เรียกโลมักกะสปะเป็นดาบทแล้วสามารถทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นมีอินทรีย์สงบมามีตะบะแก่กล้าเลยพอบาเพ็ญเพียรได้ฌานได้สมาบาัตินะจนมีตะบะแก่กล้าปุ๊บเนี่ยนุน่น ด้วยเดชบุญของฤาษีเนี่ยร้อนไปถึงพบของเท้าสกัดท้าสกัดเนี่ยท่านจะนั่งอยู่ที่ปันทุกกรรมพลศิลาอาชเชียบพอมีคนมีบุญมามันสะเทือนสะเทือนก็มีความรู้สึกว่โอ้โหท่านเจ้านี้ตายตายถ้ามาเกิดอยู่ในชั้นเดาดึงเนี่ยไอ้คนมีบุญมาเกิดเนี่ยถามว่าสถานภาพเราสั่นครอนไหมสันครอนหรือไม่สันครอน กนกเหมือนในประเทศไทยเนี่ยสังเกตไปทีถ้ามีใครสักคนนึงนะโอ้โหมีบุญมาเกิดแล้วยิ่งใหญ่มากและเป็นที่ยอมรับนับถือคนทั้งประเทศเลยแล้วเกิดมาโอ้โหคนนับถือสม ม, ต, นะส ม, มติเอาเอาสมมติเน้นแชเกิดมาเป็นคนผิดมนุษย์มนาคำว่าผิดมนุษย์มนาไม่ใช่คนประหลาดนะไม่ใช่ตัวประหลาดนะไม่ไม่ใช่สักังนะแต่ว่าเป็นคนที่มีบุญสมมติมีบุญมาเกิด โอ้โหใครพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยทั้งบุญญาบา ร, รมีมากเหลือเกินคนก็นับถือโด่งดังมาตั้งแต่เด็กเลยโอ้โยคนแห่มาบูชามานับถือกันเต็มไปหมดเลยแล้วคนที่เป็นใหญ่เดือดร้อนไหมเริ่มเดือดร้อนนะอีโจนี้เฮ้ยโตขึ้นมาเฮ้ยมันยุ่งยุ่งเลยเนี่ยนําประเทศวุ่นวายได้ในคนแบบเ น, นี้ยก็คนนับถือมันใครก็เชื่อถือทีแรกก็เป็นแค่จังหวัดหนึ่งแนตะ่เข้าสองจังหวัด3ามจังหวัดถ้าคนทั้งเจ็สิบ็จังหวัด พากันนับถือแล้วก็แท่ซ้องสาะเสื่อขึ้นมายุ่งแลยเนี่ยนี่เหมือนกันคนที่ปุ๊บกุมอำนาจอยู่ชักเดือดร้อนชักเดือดร้อนแล้วเฮ้ยหาทำไงสกัดดาวลุ่งหน่อยวิธีการเข้าใจใช่ไหมฮะนี่ยท้าสกัดก็คิดให้ทําไงสกัดดาวลุ่งหน่อยสกัดคือทําให้ทาให้ฤาษีนี้เสื่อมไม่ได้เอาละทําไงดี ท้าสก่าเริ่มวางแผนแผนดีหรือแผนชั่วให้แผนชั่วลายแล้วเห็นไหมแผนชั่วลายอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาปัญญาไปรับใช้อะไรรับใช้กิเลสเพื่อจะจัดการคนอื่น <c oughs> ก็เลยไปเอาและเริ่มคิดว่าเราจะต้องวางแผนร่วมกันกับพระเจ้าพระราสีทำลายตาบะไอต้ตาดาบท์นี่ได้ก็คือทำลายให้มันเสื่อมซะเลยให้ชาญเสื่อมให้ตาบะเสื่อมให้คุณความดีเสื่อมเสีย ก็ทำลายก็เป็นการสกัดดาวรุ่งเงแล้วแบบนี่วิธีคิดอย่างเงี้ยวิธีคิดทำลายล้างคนอื่นให้สังเกตดูนะฮะวิธีเราฟังเรื่องแบบนี้สังเกตที่ให้ดูเ น, นะว่าอ็เขาวางวางช็อตเรื่องชอ็ อ, งชอตเรื่องที่เขาวางเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยดําเนินการยังไงพอคิดอย่างนี้ปุ๊บก็เสด็จเข้าไปในห้องบรรทมมาแล้วลงมาจากดาวดึงมาอยู่ในห้องบรรทมของพระเจ้าเดินดินตอนเที่ยงคืน โอยเปล่งและสมีจากกายเนี่ยยังตำหนักสว่างไปหมดเลยทีเนี้ยแล้วก็ยืนในอากาศพระราชาก็ตื่นบรรทมขึ้นมาลุกขึ้นท่านเป็นใครก็บอกเออเราเป็นท้าวส ก, กา่าแต่ถามว่าพระองค์เสด็จมาเพื่อประสงค์สิ่งใดว่างั้นน่ก็ย้อนถามม า, มาละพระองค์ทรงปรารถนาความเป็นเอกราชในชมพูทวีปไหมคำว่าเอกราชคืออยากจะปกครองชมพูทวีปทั้งใบไหมอยากจะยิ่งใหญ่ไหมล่ะ หรือปราถนาแต่วอวเพราะอะไรเยรออีงไม่ปราถนาแล้วทา้าวสกาก็ตรายบอกว่าถ้าอย่างนั้นพระองค์เนี่ยถ้าปราถนาอยากจะอายุยืนนะเป็นอมตะไม่ตายเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วก็ยิ่งใหญ่นะให้ไปนํป า, น า, มมากัศปะดาบที่มาโลมกัศปะดาบที่มาให้มาทำพิธีฆ่าบูชายันเข้าใจคำว่าฆ่าบูชายานไหม แล้วเมื่อถ้าทําอย่างนั้นสําเร็จได้เมื่อไหร่นะพระองค์จะมีจะเป็นเหมือนกับท้าสากัดคือไม่แก่ไม่ตายครอบครองสมบัติในชมพูทอยอิบทั้งสิ้นเลยว่างั้นเถอะและจะเป็นเหมือนพระอินทร์เนี่ยถ้าสามารถทําการบูชาญัญที่ยิ่งใหญ่ใหญ่หญหญจะไม่แก่ไม่ตายครับ ห, หากพระองค์ทิ้งให้โรมักกะสปาหรือศีบูชาญัญได้นะว่างั้นเถอะเอาทำให้อยากได้ไหมอย่างนี้น พระราชาถ้าเป็นเราเป็นพระราชามีใครมาชี้แนะอย่างนี้เราเอาไม่เอาเอาวิธีการบูชายันก่อนถ้าทํำยังไงเขาไปเอาช้างมาห้าร้อยเชือกช้างห้าร้อยม้าห้าร้อยแพห้าร้อยแกะห้า้ยเอาสัตว์อย่างละห้าร 500, 500, 500. ้อยห้าร้อยห้าอยเขาจะขุดหลมุมขุดหลุมแล้วเอาเอาหลักปักปักปักปักยาเ ondu, วเป็นหลายร้อยกิโลแล้วก็เอาช้างมัดมัดมัดมัดมัดมัดมัดไว้เอา เอามามัด ม, ด ม, ดมดัว่าอย่างน่ะแถวละห้าร้อยห้าร้อยเนยเต็มเลยเต็มลานกว้างเลยแล้วก็ทําพิธีฆ่าสัตว์เหล่านี้แล้วก็บูชายันถ้าใครทําได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาถือว่าเป็นการส่งเสริมให้สัตว์เหล่านี้มันตายแทนพวกเราไปให้รับบาสรับโทษแทนพวกเราไปแล้วชีวิตเราก็จะได้ผาสุขลุ่งเรืองเนี่ยวิธีการบูชายันเคยไปเห็นเขาทำไหม ตอนที่ เ, เนปลาลเนปลาลเนี่ยจะเกิดเอเกิดเองซึ่เนี่เกิดแผ่นดินไหวที่คนตายเยอะๆเขาทำบูทิงพิธีบูชายันโอ้โหเป็นลานกว้างเลยเขาจะทำกันทุกปีในประเทศนี้เขายังมีการถือการบูชายันเป็นอยู่ทีนี้พระยอดผินดินก็เลยบอกว่า อะไรเดีเราจะจัดการก็เราอยากจะได้อย่างนั้นด้วยเนี่ยก็เลยให้อมาดเนี่ยเข้าไปหาดาบดเนี่ยแล้วก็บอกว่าขอให้ดาบดเนี่ยทําการบูชายันนี่หน่อยเนี่ยทําแบบนี้ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยร่วมกับเราแล้วมาทําแล้วเนี่ยแล้วท่านจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ปกครองแผ่นดินบอกงั้เถอะร่วมกับเราเนี่ยดาบดเอาแล้วม่เย แต่บทบอกอาตมาไม่ปราศนาแผ่นดินที่มีสมุดเป็นขอบเขตที่มีสาค้อนรอบได้ดุลช้างหูบอกว่างั้นเถอะพร้อมคำนินทาท่านทราบอย่างนี้บอกว่าพระบอกหน้าตีเตียนการได้ยศการได้ทรัพย์และการเป็นไปแห่งชีวิตด้วยกรรมอันทําตนให้ตกไปในความไม่ประพฤติธรรมอย่งนั้นท่านก็บอกว่าท่านไม่เอาหรอกจะให้ท่านทนนาําในลักษณะนี้ท่านก็ไม่เอาแล้วก็ปฏิเสธอามาได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ไปกราบทูลเรื่องนี้กับพระราชา บอกไม่สาเร็จจะแล้วเททำไงดีพระอินทร์ก็มาหาใหม่บอกเอา้าง่ายใช้วิธีอื่นวิธีอื่นก็คือทำยังไงก็ให้ลูกสาวเนี่ยเทพธิดาเนี่ยเกิดราชธิดาเนี่ยแต่งกายที่สวยงามแล้วพาอมารเนี่ยให้พาราชธิดาเนี่ยไปหาฤาษีแล้วแต่งตัวให้งา ให้ดูสวยสดงดงามเป็นล่อเลยว่างั้นเถอะที่นี่พอไปว่าแต่งตัวงดงามไปให้ฤาษีเห็นแค่นี้ยโอ้โหไอ้ตันหาที่ถูกปิดไว้เนี่ยนะที่ได้ชานสมาบัติชานก็เสื่อมทันทีเลยพอเห็นเห็นราชธิดาเนี่เสื่อมราคะความกำหนัดไอ้ราคะดำกิษนาก็พุ่งพานกันเห็นแค่นี้โอ้โหยอมเลยแต่เนี้ยชานเสื่อมแล้วเนี่ย พอชานเสริมเส็เสร็จก็เลยต้องมากันเนี่ยมากับผู้หญิงคนนี้พร้อมด้วยอมาเนี่ยมหาประราชาบอกเอ้ายอมบมงนั่นเถอะยอมที่จะจะนั่นเพื่ออะไรเขาเรียกบูชาเขาเรียกว่าเาเปยยะเนี่ยก็คือการฆ่าสัตว์นี่แหละเขาได้หลักการก็บอกว่าดวงจันทร์ก็มีกำลังดวงอาทิตย์ก็มีกำลังสมณะหรือพรามทั้งหลายก็มีกาลัง ฟังสมุดก็มีกําลังแต่หญิงทั้งหลายมีกําลังมากกว่า น, นั้นก็มีหลักเขาว่าพระอาทิตย์เนี่ยมีกําลังในเวลากลางวันไอพระจันทร์มีกําลังในเวลากลางคืนเห็นไหมหรือว่านักลบทั้งหลายเหล่านี้ยก็มีพละกําลังมากแต่เชื่อไหมว่านักนักบวชที่ได้ฌาสมาบัติก็มีพลังพวกนี้มีพลังมากเหมือนกันแต่ ผู้หญิงมีกำลังมากกว่านะผู้หญิงมีกําลังเพราะรูปนี่แหละและเสียงนี่แหละรูปเสียงกีดรสนี่แหละคือสามารถทําให้บุรุษเนี่ยอ่าที่สามารถไปชนะฆ่าศึกทุกทิศได้เนี่ยมาแพ้กับไอ้ผู้หญิงกัยที่มีอาวุธแค่อะไรรู้ไหมแค่ร้องไห้น้ำตาพอมันร้องไห้ก็มาไอ้ขาผู้ชายกํายําล่ำสารขนาดไหนยอมเลย พอมันร้องไห้แค่นั้นโอ้จิตใจอ่อนเลยทั้งนี้นี่เป็นอย่างนี้นะเอออาวถ้าถ้าแม่มาหาแล้วมันนั่งร้องไห้สึกเธอสึกเธออ ย, ย อ, ยอยู่ไหวไหมนี่ไงไหมไผู้หญิวไม่ไหวเสึกอมเยอะนะเนี่ย เอาอาดีตภรรยามาร้องไห้เห็นไหมเนี่ยโยไม่ไว้แล้วนี่ผู้หญิงเนี่กําลังก็เยอะมีน้ําตาเป็นอาวุธนี่น้ําตาเป็นอาวุธเนี่ยพระพุทธศาสนาปรเนเฮตหมดสภาพเลยเดี๋ยวเฮยไม่ได้เรื่องแล้แล้วก็ทําวิธีจะฆ่าทีนี้ไอ้ช้างเนี่ยนะ ดาบทจยกพระขานขึ้นเออเราจะฟันคอช้างวงกลนอธีเป็นตัวแรกเพื่อบูชายันลองคิดดูทีรออาวุธเลยจะตักคอช้างก่อนเลยว่างั้นะด้วยกำลังตัวเองเนี่ยทีนี้ช้างตกใจกลัวนะเพราะตกใจกลัวความตายก็ร้องเสียงดังลั่นร้องยังดังขึ้นมาเลยช้างเนี่ย ช้างหนึ่ร้องได้ดังมากนี่บรรดาช้างตัว อ, อื่นม้าเอ้ยโคสุภะลิศศัพท์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นพากันร้องระงมหมดเลยเสียงดังสนั่นหมดเลยตรเนี้ยตกใจโอยตกใจ้เรายุ่งเลยเนี่ยสลดใจอ่ะมองดูบริขารนั่นตัวนี้มองดูชดามองดูหนวดมองดูขนรักแล่ไอชดาดาบทจะมีชดาใช่ไหมแล้วก็มีไอเนี่ย แล้วก็หนวดหนวดตัวเองแล้วดูรักแล้คนลักแล้ตัวเองปรากฏนะเกิดความเดือดร้อนใจก็ประกาศถึงความสลดใจบอกว่ากรรมซึ่งมีกามเป็นเหตุเห็นไหมการจะทําชั่วเพราะเพอีกามเ่ยเพราะโลภะรรเป็นเหตุเนี่ยอันราวกระทาแล้วด้วยความโกรธนั้นน่ะมีผลเผ็ดร้อนเราจะค้นหารากเน่าของกรรมนั้นจะตัดตราคะด้วยเครื่องผูกนั้นบอกนั้นเอง ก็คือพระมหาร า, ร า, ราชเจ้าว่ากรรมชั่วมีกา ร, รมเป็นเหตุอันใดาอาตมายังความโลภและราชธนิดานั้นเน่ะคือจันทวดีเนี่ยเป็นเหตุเนี่ยกระทาไปด้วยความโลภด้วยความกําหนัดด้วยความยินดีเนี่ยกรรมที่ทําไปแล้วมีผลเผ็ดร้อนมีวิบากก้าแข็งว่าไงเถิดวิบากอาตมาจากคนหารากเง่าคือการใส่ใจโดยบายไม่แยกใครใยยงกรรมนั้นพอกันทีวะนะ่าไง ด้วยพักขันเล่มนี้สําหรับอาตมาอาตมาจะนําพักขันคือปัญญาออกมาตัดราคะคือเครื่องผูกเลยเห็นเห็นเชื่อกพอเห็นมีดปุ๊บเนี่ยทิ้งเลยที่เราจะเอามีดเนี่ยไปตัดคอช้างเป็นต้นคอโค อ, อุสุภาเป็นต้นอะไรนียคว่างทิ้งเลยบอลแล้วอาตมาพอแล้วว่าไงเถอว่าเอกกรรมชั่วที่มีกรรมเป็นเหตุเมื่อทําไปแล้วจะให้ผลผิด ร้อนกล้าแข็งจะประสบอบายทุกขติวิบตัตนโลกไม่เอาดีกว่าอาตมาจะใช้พระขันคือปัญญาตัวเองอ่ะตัดราคะซะเลยตัดความกำหนัดความยินดีเพื่อเพลินซะเลยเขาบอกว่าหน้าตีเตียนไอ้กามทั้งหลายเนี่ยความโลภความกำหนัดยินดีเพื่อเพลินเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายในโลกตบ่าเท่านั้นประเสริฐกว่ากามมาคุณทั้งหลายมหมาบวพิษอาตมาจะละ ก, กามแล้วบำเพ็ญตบ่าส่วนแว่นแควนและราชธิดาจันทวดี ขอจงเป็นของพระองค์ตามเดิมไม่เอาแล้วเอ้ราชสมบัติก็อาไปไม่เอาแม้นราชเทวีทั้งหลายก็ไม่เอาไปขอบําเพ็ญตะบะดีกว่าว่างั้นเถอะจะบําเพา็ญตบะคือจะบําเพ็ญคือการสํารวมในศีลแล้วก็สํารวมในสมาธิเจริญปัญญาไม่เอาดีกว่าเรื่องการบูชา ย, ยัญเงี้ยนะพอพูดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็ประมวลกสินบริกรรมที่ตเดงเคยได้นี่นะ คุณวิเศษที่เสื่อมถอยไปกน็นั่งขัดสมาธิพอได้สมาธิเข้าชาติสมาบัติได้เอาชาติเป็นบาทรลอยขึ้นไปบนอากาศทันทีเลยไปอยู่บนอากาศนั่นเลยเหาะนะเหาะไปในสถานที่ตนเองเลยบอกว่าเทศบนอากาศเสร็จแล้วเหาะกลับที่อยู่เลยบอกไม่เอารุยนี่ลมมากกระสับชาติทำได้ไ เอาอีสักเรื่องเท้าสักาดตอนนี้ในปัจจุบันชาติปปเป็นครก็องค์ปัจจุบันตอนนี้เป็นพระสดาบานันไปแล้ทำไมปกติแล้วเท้าสักาดในชาติคนอื่นคอยแต่มีแตส่งเสริมช่วยเหลืออ๋อจะมีบางช่วงบางพ บ, บางอัธภาพเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางทีกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ส่งเสริมบางทีกลัวงไง กลัวว่ารมากักกสปาเนี่ยบำเป็นตะบะแรงกล้าขนาดนี้แล้วพอมาเกิดในในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยจะมาเป็นใหญ่ตัวเองก็ต้องตกจากตาแหน่งนะั้นถ้าคนมีบุญมาตันเองก็หมดใช่ไหมแต่พอไปรู้ความจริงว่าโอ้ท่านบำเป็นบา ร, รมีเพื่อเป็นพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเราแล้วโอ้สบายใจนี่ก็ได้หวงทิ่นหวงที่อยู่หวงอำนาจเอาเอาหวงเอาี้ถ้ามีใครจะไปทาหน้าที่แทนแทนเรา ไปอยู่ไอคอนโดหลังนั้นแล้วไปอยู่ผู้หญิงคนนั้นห่วงไหมหวงไหมห่ว ง, วงแค่เนี้ยห่วงเลยเห็นไหมเนี้ยไม่ต้องเป็นท้าวส ก, กาถ้ามีใครโอ้พยายามทําความดีแล้วมันกําลังเร่งทําคะแนนให้กับไอผู้หญิงคนนี้แล้วมันก็จะซื้อไอคอนโดหลังนี้เลยอ่างั้นเถอะว่างัา้นเถอะขอต่อรองซื้อเลย อ, อ่ะสึกให้สึกถ้าไม่สึกก็ซื้อกับแม่เลยสมมติเงี้ยนะแล้วอยู่ไหวไหม ไปไม่ไหวเนี่ยแค่อันเดียวกันเนี่ยเรื่องมีเรื่องเดียวกันเดี๋ยวเพีจะเล่าเล่าประเด็นของคนอื่นแค่นั้นเองไม่ไหวเลยท่านนา ย, ยู่โอไม่ไหวแลยโอ้ยไม่ขายจะสึกออยู่แล้ว <c oughs> เดียวร้อยเลย <c oughs> เห็นนี่ยังกิเลสตัวเดียวกันนี่แหละมันเกิดกับเราก็น่าเกลียดมันกิดหมด แต่ถ้าคนที่ฉลาดตัดมันซะเลยใช้อะไรตัดญญออใช้พักขันคือปัญญาฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นกะระกามเสียตัดกามเสียไม่รู้ความจริงเส้ยเห็นไหมว่าการที่เราไปถูกกามเคี้ยวกินอยู่ต้องไปรับใช้การรมเรียนวิชาการต่างๆก็ต้องรับใช้กามนี่แหละรอบรู้วิชาการต่างๆรอบรู้ภาษารอบรู้ประวัติศาสตร์รอบรู้วิทยาศาสตร์ รอบรู้คณิษฐ์ศาสตร์เนี่ยนะตลอดถึงมีความรอบรู้ในเรื่องของวิชาการแพทย์ศาสตร์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแต่เอาไปรับใช้อะไรรับใช้ตัณหาให้โลภะเป็นนายโทสะเป็นนายโมหะเป็นนา ย, านนายใช้ปัญญาเรียนรู้กันหูอย่างใหญ่โตไอ้ปัญญาเหล่านี้แทนที่จะไปเป็นประโยชน์หรือไปจัดการในโลภะโทสะโมหะกลับเอาปัญญาเหล่านี้มาเป็นธาตุของโลภะโทสะโมหะโอ้แย yeah, ่จริงๆใช่ไหม เนี่ยขนาดได้ฌานสมาบัติแล้วเนี่ยได้ปัญญาระดับนี้แล้วไปไปมามาเอาดันใช้ไอ้กาลังความสามารถของฌานสมาบัติไปเป็นไปเป็นธาตุของกิเลสท่านี่ดีนะไหวตัวทันเนี่ยโลมากระสปากฤษีเนี่ยทั่นไหวตัวทันเอ้ยไม่ได้เรื่องเล้วเว้ยเหตุผลก็เพราะไอ้ช้างนี่มันร้องเพราะช้างมันร้องม้าก็ร้องโคก็ร้องโอ้โหตาย เ, ยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายทั้งเป็นไหล แสนตัวมันร้องพร้อมกันขึ้นมาก็ตกใจเลยตัวเนี้ยไอช้านที่เสื่อมไปเนี่ยตกใจแล้วดูสภาพตัวเองหูนี่น่าเกียดไหมเนี่ยตัวเองเป็นนักบวชมีหนวดด้วยมีขนจักระแล้ด้วยแล้วก็มีคดาใส่ด้วยแล้วก็ใส่ชุดเสืออู๋สีเนี่ยนะทำท่าจะตัดคอช้างเ่ยโดยน่าเกียดไหมเหมือนเอาเป็นนักบวชเนี่ยจะแชมป์สามเณรแชมป์เนี่ยถือมีดไปทาท่าจะไปตัดคอหมาเนี่ยคอสุนัขเนี่ย เออตกใจพอสุนัขมันร้องเนี่ยนะมันร้องกลัวขึ้นมาตกใจอเออเราเป็นเดนไงเฮ้ยไม่ได้เรื่องแล้วเนี่ยเราทําไมทําไมเราเราต้องให้โทรศัพมาบงการเราด้วยเรามีความสามารถเนี่ยทำไมให้ความโกรธบงการเราความโลภ บ, บงการเราความหลงบงการเราเนี่ยว่าไงอสินถือสิอส น, ส น, นีน่ข้อสินี่มีศินสินกี่ข้อถือศินก็เกินสิบข้อ เพราะว่าเขาศีลของเขาก็คือเขาเขากินแต่ใบไม้ด้วยไม่กินเนื้อไม่กินเลยไม่กินเนื้อไม่กินไก่ย่างฤศีไม่กินไก่ย่างกินไก่ย่างไม่ใช่หรือศี้วยักษ์กินใบน้อยเดือนี้เรเดียวปัจจุบันนี้ศีมียมีแต่ก็ไม่ไม่ค่อยค่มีอยู่ในประเทศอินเดียจะมีเยอะเทศไทยอ่ะเทศไทยก็มีบ้าง หายยากใช่ไหมไม่ค่อยยากเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเดินกันเกลื่อนกลลเยอะเริ่มเยอะขึ้นสีที่อยู่ตามป่ากมมีไม่ใช่จะเม็ดนะจะเม็ไม่ใช่ เ, เ, เ, เชลยสีนะเขาอยู่ตามป่าไม่มีใครเห็นเขาไม่ค่อยออกเขาไม่ค่ อ, อ, อ, อโชว์ตัวใครเห็นเดี๋ยวนี้เรืสีมันบ้ากรารมันเยอะออกมาก็ต้องการกา ม, มาคุณไม่ค่อยมีในพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาแลก็ลสีก็เริ่มหมดเลย <c oughs> ในเริ่ม เริ่มกระจายได้ยังว่าไอ้ตัวปัญญาตัวความสามารถที่ฝึกฝนการศึกษาทั้งหลายเหล่านี้เรากลับกลายไปเอาไปรับใช้ตอนนี้เราเป็นอยู่ไหมที่ผ่านมาเป็นไหมเอาความรู้ความสามารถที่เรียนกันแทบตายเนี่ยแต่ดันไปรับใช้กิเลสใช่ไหมก็เหมือนคนที่ผลิตเนี่ยผลิตเกมก็ดีผลิตอ สิ่งต่างๆขึ้นมาไปเป็นเครื่องหลอกล่อไม่ว่าจะของใช้ของอุปโภคบริโภคทั้งหลายเนี่ยเต็มประเทศไทยทั้งหมดหรือเต็มโลกเนียที่มันคิดผลิตขึ้นมาเนี่ยถามว่าไอความสามารถไอ้คิดมาได้นี่คือปัญญาเนี่ยแต่ถามว่าเขาต้องการอะไรอ ม, มีใครบงการก็อยู่โลภะบงการบ้างโทสะ บ, บ ง, งการบ้า ง, ง, าา ง, ง, าางพวกเราก็ถูกโลภะโทสะบงการ โลคะบราาิวารโทษาโมฮาวงการก็เลยไปติดสิงเส่เออใครบ้ากว่ากันระหว่างคนผลิตกับคนเสพเนี่ยใครเสียเปีย บ, คค บ, บใครเสียเปียบใครเป็นทาสใครเป็นทาสมากกว่ากันคนเสพสิเป็นทาสนะเข า, นะาจะทำให้เราเป็นอะไรก็ได้ถ้าอย่างเน้นแชมป์สามารถคิดเกมอะไรก็ได้นะเขียนเกมอะไรมาผลิตเกมอะไรออกมาปุ๊บแล้วมีคนทั้งโลก เขโหติดแล้วเราเป็นเจ้าของเราจะมีความรู้สึกยังไงโอ้ยพวกนี้บ้าโอ้ยดูสิไงเอ้ยเราเราให้เราให้ไปก้มหน้าทําอะไรอยู่ก็ทําเป็นเหมือนมนุษย์ก้มหน้าอยู่นั้นแหละเวลามาันมาดูผลงานมันโอมันขำเลยอย่างเงี้ยเอ้ยนี่เราเราใช้เวลาคิดแค่สองสามอาทิตย์เองไอคนมันติดกันเป็นปีมันยังหาทางออกไม่ได้เลยยังหลงในเกมอยู่นะไอนี่มันใช้เวลาคิดแค่เดียวอย่างเงี้ เดี๋ยวนี้าแล้วมัก็คิดเกมใหม่มาเรื่อยพอไอเจนี่เบื่อพบเอกเกมใหม่โยนมาล่ออีกอะพอเล่นเกมใหม่ไปสักพักหนึ่งเอ้ยเอาเกมมาล่ออีกนะาข้าน้าข้าให้วิง่งให้เล่นเกมวิ่งข้างนอกกันเนี่ยเจับตัวอะไรกันด้วยตอนนี้วิ่งไปหาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเองได้เริ่มเล่นกันนี่ยั <Yeah. S 1> ออกไปลงไปไปเล่นออกมาตอนปวเองโอ้โห oh. นี่หนูก็ตกข่าวอีก อราไฟจะต้องไปตามจับอีกใช่ไหมหนูไม่ใช่ปติเเลมเกมที่ดังมาตั้งนานแล้วและตัวเองกับันเล่นเกมแบบนั้ไม่เลนเกมใหม่กที่ดังมาหลายปีแลวหลายแล้วตนี้ก็ยังค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเล่นเกมประมาณนั้นอ๋อเป็นของเก่าใช่่ะของเก่าแต่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่ดีแล้วเพราะผมเกเราไม่เราไม่นิยมมันก็ไม่มีใครเล่นโอ้ที่งเรียนเต็ม เลลแบบสดง ว, ว่าแสดงว่าคนโง่คนฉลาดใครมากกว่ากันฉลาดคนโง่มากกว่าฉลาดสิเป็นฉลาดได้ไงพวกติดเกมแต่พอคิดเกมได้สิมันฉลาดใช่ไหมคนสร้างเกมดีๆพวกนี้ฉลาดแต่ก็เสพเกมติดเกมบวกมุ่นในเกมยังปฉลาดได้ไงก็เป็นได้แค่สาวกเขาดีๆนี่ใช่ไหม เนผู้เสพมอนเรียกสาวกก็ไม่ดมีเรียกสูงไปก็เรียกว่าพวกบ้าข้างดีๆนี่อ้าวข้อที่สองประธานนิยังค้าก็คืออั ป, ปาพาโทเป็นผู้มีอาภารน้อยอเกี่ยวอะไรกันเป็นผู้มีความลำบากน้อยเพราะเป็นผู้ประกอบไปได้วยไฟธาตุย่อยอาหารเป็นปกติ ไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นไปอย่างกลางกลางควรแก่การบำเพ็ญผิวบมไปธาตดีไหมไม่ดีไม่ดีเอเงไงบาเพ็ญียวไม่ค่อยไหวสมควรแก่เหตุนอนดีกว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อ้าวนายไปธาตุเป็นยังไงดีครับไม่ดีครับอยู่ที่การกินมากกว่า <c oughs> ใช่ไหอ <c oughs> ไม่ฉลาดในการกิน <c oughs> ก็เป็นเหตุบางคราวว่าเนะี <c oughs> อย่างเจ้า แชมเนี่ยกับไฟธาตุก็ไม่ค่อยได้เรื่องขึ้นๆลงๆตามสภาพ เ, เป็นเหตุทําให้ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเย็นหนาวสุดแม่นี่ ย, ยถ้าอับปาพาโทก็คือเป็นคนมีอาภาษน้อยเนี่ยจะสามารถที่จะบําเพ็ญเพียรได้คนที่มีอาภาษตลอดเวลาบำเป็นเพียรไม่ไดอยอ้างได้เลยเลยอ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในกายมันแปลกด์ร้อนเกินไปเลยมากร้อนกับเย็นเนี่ยไหนมากในร่างกายแล้วร้อนมากใช่ไหม ร, ร้อนกับเย็ น, นบางทีมันจะมีบางคนมีธาตุลมมีกําลังเนี่ยเอ อ, อกล้าด้วกล้อ า, อ, า, อ, าอยู่นั่นแหละทั้งข้างล่างข้างบนไม่รู้ไหลเยี่ยวนั่นแหละประเวณเดียนไม่นช่ อที่เขาไปปฏิบัติกันเยอะๆนี่โอ้โหเมื่กินถั่วก็ไปกินอันนั้นก็ไปเป็นนั่งกรรมฐานด้วยกันโอ้โหแล้วไปนั่งไกลไปนั่งอยู่ที่เดียวนะโอ้โหสรารพัดเลยจะเนี้เนี่ยธาตุลมกำเริบแล้วถ้าธาตุไฟกำเริบ ก, ก็ร้อนถ้าธาตุน้ํากำเริบเป็นยังไงก็เป็นแผลผู้พองตามหัวไงเป็นขี้กากบ้างเป็นอะไรบ้างเนไหลอย่างนี้ เนี่ลักษณะนี้ก็เรียกธาตุน้ํากําเริบำำใช่ไหมเอาถ้ า, าธาตุดินกําเริบเป็นยังไงเรืร่องไหมธาตุดินาาธาตุธาตุดินกําเริบเป็นยังไงธาตุดินก็คือแข็งรู้สึกกายเปนขยับขยืขย่อนไม่ค่อยไหวมันรู้สึกตึงไปหมดเออมันแข็งไปหมดถ้ า, าธาตุลมก็เป็นประเภทออยู่ไม่นิ่งาธาตุลมไหวนะก็๊ก๊ก๊ก๊ ก, ก, ก, กตลอดเี่นะ อีกอย่างหนึ่งจะมันมีพยุงแล้วก็พยุงอั้นึงกับผักดันผักตลอดคนที่มีธาตุลมกำเริบมากมากเนี่ยจะอยู่ไม่ไม่ไม่สุขจะอย่างนี้ตลอดนะขยับนู้นขยับนี้เป็นไม่เป็นเคยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยรธาตุลมมันกำเริบมันมาจากจิต ม, มาจากจิตที่ฟุ้งมันก็กระตุ้นทําให้อยู่เฉยไม่ได้ ล, ล, ลุกลึกลุกลึกลุกลึกตลอดเลยเนี่ยนี่เป็นนี่ เนี่ยพวกนี้บำเพ็ญเพียรทางจิตยากเพราะจิตไม่นิ่งจิตไม่เป็นสมาธิปัญญามาไหมอา้าวปัญญาไม่มาอีกประการที่ 3, าสะะามอสโธอมายาวีเป็นผู้โอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาบางคนเป็นคนชอบโอ้อวดมีมายานะก็คือเป็นผู้เปิดเผยตนเองตามความเป็นจริงในพระศาสนา ในเมื่อเพื่อนพาารมชาดีเป็นอยู่ชนทั้งหลายโดยไม่ปิดบังอัมพางก็คือไม่มีรับลมคมในบอกความรู้สึกตนเองจริงๆออกมาเป็นคนเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถามก็บอกกัน ต, ตรงๆเป็นคนไม่มีกีเลสซ่อนเล้นเออตอนเองทําผิดอะไรก็บอกเนี่ยไม่ปิดบังซ่อนเล้นตนเองคิดความชั่วใดๆมาเพรว่านี่ผมคิดชั่วแบบนี้เรื่อยเลยครับผมจะแก้อ ย, อย่างไรครับเนี่ยนะ เออมีพระไปวินาบาตกันใช่ไหมโอ้โหเขาเขาเขาตั้งหลักยังไง ร, รู้ไหมเออพอไปบินาบาทนี่เขาเกิดว่าเวลาเกิดความคิดชั่วลามมกขึ้นมาปุ๊บก็ยืนเลยอ ง, งหน้ายืนเขาให้อนันนัดสัญญาณเลยองคตามหลังมารู้ทันทีโอ้องนี้ความคิดชั่วเกิดเวลาความคิดชั่วเกิดเขาจะไม่เดินเขายืนอยู่ยืนใช่ไหมเฮ้ ย, ยทยังไงก็ข่มความชั่วในใจไม่ได้ก็จะนั่งลง องที่ตามมาหลังๆมานั่งด้วยแล้วก็องค์ที่เกิดความชั่วก็เตือนตัวเองว่าเขารู้เราหมดแล้วนะนี่เป็นต้นเพื่อจะเตือนว่าจัดการของความชั่วเมื่อความชั่วออกจากใจแล้วก็เดินต่อที่เดินไปวินทบาทใช่ไหมในขณะเดินเดินเดินไปปุ๊บพอมียอมเอาอาหารที่ตัวเองชอบมาใส่บาตรปุ๊บมันเกิดความช่อกขึ้นมาสมมุติว่าเนนชั้มเนี่ยยอมเอา ไ, ไก่ทอดมาใส่ปุ๊บ <c oughs> <c oughs> เกิดความอยากปุ๊บ รีบจับนั่นเลยหันมหาท่านนายหลวงพี่นายครับนี่สัมมณีนรับมาด้วยจิตที่ลาบกได้จิตที่ความโลภผมขอถวายครับผมไม่สมควรกับอาหารนี้อุดสาระเลยเนะนี่ทําลายกิเลสเลยเขาทากันขนาดนั้นเลยเนะ้อเาไม่มีมายาไม่มีกิเลสเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องกังวลกันเลยถ้าใครทําได้ขนาดนี้ก็เรียกเป็นผู้ขัดเกา่า กล้าไหกล้าทําแบบนี้ไหมกล้าไมกลาถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ฝึกตัวเองก็เป็นได้แค่ทาตของกิเลสต่อไปและไม่พัฒนาถ้าเราอยากจะเป็นทาตของกิเลสอยากจะจมอยู่ในความทุกข์อยู่จะจมความผิดหวังและเจ็บปวดก็ให้ทาแบบนี้แต่ถ้าอยากจะสมหวังก็อย่าไปเป็นทาตกิเลสก็ฝึกตัวเองต่อไป การที่ 4. อารัตวีริโยเป็นผู้ปาราบความเพียรเพื่อละอกุศลทั้งหลายเพื่อยังกุศลธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นผู้มีกําลังมีความบากบาั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ทอดทุระในพระนิพพานก็หมายความว่าจะเดินทางไปพระนิพพานจะฝึกตนเองเข้าถึงพระนิพพานให้ได้ไม่ไม่ทิ้งในระหว่างถ้ายังไม่ถึงนิพพานเนี่ยตรงเนี้ยบอมต้องคิดเยอะๆในเรื่องนี้ ตราบใดยังไม่สามารถกาจัดกิเลสและกองทุกได้จะไม่หยุดถ้าคิดอย่างเนี้เพราะที่หนูเป็นอย่างนี้นะที่สําเนียนบอมเป็นแบบนี้เพราะอะไรกิเลสนี่แหละที่ทําให้เรานอนลําบากบ้างทําให้เราฟุ้งซ่านบ้างอย่างนี้เนี่ยเออกิเลสดูสิเนะี่ยชีวิตของพวกเราเนะี่ยชีวิต จ, จิตใจเราถูกกิเลสครอบงําหมดเลยอ่ะโอ้หน้าเศร้าใจเนะีย ตัว ก, กิเลสครอบงำตัว ก, กิเลสครอบงำเนี่ยแทนที่เราจะจะให้กิเลสเป็นทาตเราแต่เราดันไปยอมเป็นทาตุของกิเลสใช่ไหมเฮ้ยเราก็เอาปัญญาสิมาจัดการกิเลสเสียเอาความไม่โลภเนี่ยมาจัดการโลภะเสียเอาความไม่โกรธมาจัดการโทสะเสีย แล้วเรื่องอะไรเราจะต้องไปเป็นให้โลภะโทสะโมหะมับงการชีวิตเราด้วยอย่างนี้ชีวิตเราก็ต้องเป็นทาตตลอดไปสิดูเหมือนมันเป็นอิสระเสียรีภาพที่ไหนได้เรากลับมาตกเป็นทาตของไอความอยากเป็นทาตของโทสะเป็นทาตของโมหะใช่ไหมอภารการที่ห้าปัญญาปัญญาวาปัญญาวาก็คือ เป็นผู้มีปัญญาประกอบไปด้วยปัญญาที่มองเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นความเกิดให้ความดับซึ่งเป็นปัญญาประเสริฐเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งแทงตลอดเป็นหนทางที่ให้ถึงความสิ้นทุกโดยชอบเออเนี่ยปธารที่ยังฆ่าเนี่ยองของความเพียร5้ประการนี่นะคุณสมบัติของผู้ที่จะบำเป็นเพียรทางจิตนหนึ่งศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัย2เป็นอปาพาโทเป็นผู้มีญาณน้อยสม อาสโถอมายาวีเป็นผู้ไม่มีไม่อ้วนไม่มีมายาเปิดเผยตนเองตามความเป็นจริงในศาสนารัวิริยก็คือปราลความเพียรเพื่อจะละอกุศลเพื่อเจริญกุศลเป็นต้นไม่ทอดทุระเป็นผู้บากบั่นไม่ทอดทุระในกุศลธรรมไม่ทอดทุระในพระนิพพานก็หมายความว่าตราบใดถ้่ยังไม่สามารถบรรลุจุดหมายไม่หยุดเพียนไม่หยุดความเพียนเหมือนพระมหาชนกไหว้นะไม่ถึงฝั่งไม่หยุด โอ้ขนาดนั้นเลยนะีนี่เหมือนกันอยไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองตั้งใจไว้จะไม่หยุดจะไม่ทอ้อสุดท้ายก็คือปัญญาวาคือมีปัญญานี่แหละประกอบไปด้วยปัญญานี้เป็นต้นนี้ประทานนี่ยังค้าองค์แห่งความเพียรเนาะองค์แห่งความเพียรอันนี้วิริยะสัมโพชังคะก็คือวิริยะ วิริยะสัมโพชังคุปปาธรรมก็คือทำที่เป็นเหตุให้เกิดวิริยะสัมโพชงอันนี้เป็นคุณธรรมที่เป็นองค์ประกอบแห่งการตัดสุริยสัจสีเลยนะถ้าปรารถนาที่จะทําปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นตามความเป็นจริงได้เนี่ยโอ้โหจะต้องมีวิริยะนี่ที่ประกอบไปด้วยมหากุศลญาณทั้สามยุทธ ด, ด้วยแล้วต้องประกอบไปด้วยมรรคจิตด้วยปัญญาเป็นไปกับปัญญานี่แหละอันนี้เป็นบทบาทสําคัญในการเจริญวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นเลยนะหนึ่ง อปายะพยะปัจเวคณาตาพิจารณาเห็นภายในอบายภูมิเกิดความกลัวต่อทุกข์ที่จะเกิดในอบายภู ม, mm hmm. มิเมื่อเรารู้นี่ฟังมีบางนค น, นยอยู่ที่จังหวัดเนี่ยเขาเป็นคนที่ประมาทตอนนี้ตายไปแล้วนียประมาทมากแต่เขาก็นเนี่ยม า, ยาเจริญกุศลพอเป็นปกติเนี่ยนะมีอยู่วันหนึ่งแกนอนลงไปเนี่ยนะพอนอนนอนไปแล้วแกเกิดหายใจไม่ออก ปุ๊บไปเลยชักกึๆๆไปเลยเป็นไบบคล้ายๆลมมันตีขึ้นพิแกมาเอ๊ะพอรู้สึกอีกทีมีคนมาจับมือคนมายืนอยู่สามคนแล้วก็มาจับแขนแกที่ข้างจับแล้วก็ยกแกขึ้นมาเลยแกก็ดิ้นงอกแงกงอกแงอกอนะนะดิ้นยัไม่ไปอะ่ะทีแกบอกว่าแกก็เหลียวดูตัวเอง อุ้ยตกใจเลยอ่ะมันไม่ไม่เป็นคนเดิมแล้วมีแต่ร่างกระดูกเป็นโปร่งใสมาเลยไม่ใช่เป็นตัวอย่างเรานี่นะแต่ตัวเกียร์เนี่ยกลายเป็นกระดูกเลยเป็นกระดูกตั้งแต่กระโหลกยันยันเหมือนเหมือนไอ้ที่เราเข้าไปเห็นกระโหลกอีเป็นอย่างนั้นเลยเป็นตัวอย่างนั้นเลยที่เราเข้าไปรงเรียนนี่แหละแต่ว่าเป็นโปร่งแสงมองที่แกเห็นมองไปท้างล่างไม่เห็นเพศของตัวเองไม่มีเสื้อผ้าคลุม มีแต่ตัวกระดูดแต่คนที่มาจับแกตูนใหญ่ดําสูงสองคนจับแขนด้านขวากับด้านซ้ายยกขึ้นอย่างเงี้ยอีกคนนึงนำแกก็ร้องร้องร้องช่วยดูช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีใครได้ยินอแกก็ขอร้องบอกว่าขอร้องเธอขอบอกเมียขอบอกลูกกอนอีกคนนึงบอกไม่ต้อง เสียงเสียงยีน ใ, ใ, ใหญ่ใหญ่บอกไม่ต้องกรากไปลากตามตลาดที่เราไปยินาบาลนแกเห็นหมดเลยคนเดินไปเดินมาเนี่ยแกก็ตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยกันร้องไส้แต่เขาจับเขาไม่เขาจับไม่แรงก็จับเนี่ยตัวแกเหมือนลอยไปเนี้ยเาก็เดินเดินไปแกจําได้หมดเลยแกร้องเจอใครที่รู้จักก็ทักร้องหมดเลยแต่ไม่มีใครเห็นแกร้องช่วยดู้วยช่วยด้วยช่วยด้วย กลัวแกกลัวมากเลยนี่เดิมผ่านไปก็บอกผ่านวัดเีมึงจับผ่านผ่านผ่านวัดเ อ, ว, ดเอวัดเสือคมีจติตพระเจดีก็คิดไม่ออกจะ ค, คิดไหวพระเจดีก็คิดไม่ออกแต่แก ค, คิดถึงหลวงพ่อที่วัดนะแกบอกว่าให้ผมไปบอกหลวงพ่อก่อนได้ไหมไปบอกลาหลวงพ่อที่วัดก่อนคือลาจายน เพราแกเคบวดวันนั้นอีกคนหนึ่งบอกไม่ต้องแล้วก็ลากแกออกนอกถนนไปเลยโอ้ยไปตามถนนตามป่าปุบปุบปุบปุบปไปเรื่อยเร็วเหมือนตัวแกไม่ได้เดินเลยเหมือนถูกลากลอยแต่สองคนจับไปสามคนนำสามไอ้คนแรกนำไอ้สองคนจับไหล่ซ้ายไหล่ขวาแล้วก็ลากไปไปเลยเลยเลยเลยเลยเล ย, เล ย, เลยไปเห็นภูเขาสามลูกหนึ่งสองสามตั้งตั้งตั้ง ง, ง, งานเนี่ แล้มีเปลยวไฟขึ้นฟุบฟุบฟุบไอ้เ น, นี้เดินไปอยตรงตรยอดเขาแกบอกแกเห็นในตัวเหมือนแกเนี่ยเยอะมากเลยแต่ไม่มีคนจับอย่างแกนะมันลอยไปเหมือนถูกไฟดูด ล, ลงไปในไอ้หุบเขาด้วยฟุบฟุบฟุบนี่พอถึงตรงนั้นสองคนมองหน้ากันไม่พูดอะไรแล้วก็แกก็กลัวมากแล้วก็ปล่อยแกเพราะปล่อยพบตัวแกก็ลอยขึ้นไปลอยขึย้นไป แล้วก็หัวแกดิ่งดิ่งดิแกก็กลัวจริงใช่ไหมแกก็มือแกอย่างเงี้ยแกเห็นไอเห็นไอขอบขอบเขาอะนะขอบหน้าผาขอบเขาแกก็ฟึบจับไว้อย่างงี้เลยจับไว้ได้จับสั่นแกกลัวจะตกลงไปไงจับปุ๊บมีแกก็สั่นแล้วขดไว้อย่างแรงเลยความกลัวเนี่ยแกก็เหลียวเหลียวโอมันข้ามหัวแกไปไอตัวเหมือนแกเลย กันดูเหดือนกันยฟึดฟึด ฟ, ด ฟ, ดฟึดเลยมาห้ามาสิบมายี่สิบมาเลาะมานับไม่ถ้วนลยมันไหลข้ามหัวแกไปเนี่ยฟุกพวไปแกก็เลยเนี่ยเกาะแล้วก็เพื่อจะดูลงไปข้างล่างมันอะไรโอ้โหแกว่ามันเต้นไปหมดชูมือสลอนแล้วไฟไฟลุกท่วมไปหมดเลยแกยิ่งกลัวใหญ่เกาะอยู่อย่างนั้นแหละแกเกาะแกะกลัวตกไงกลัวตก เกาะเกาสักพักเกาะจนจะหมดแรงอยู่แล้วแกได้ยินเสียงเสียงพระเรียกแกหลวงพ่อที่แกแกผ่านอาจารย์ตรงนี้เ ร, เ, รเรียกเรียกเรียกชื่อแกสองครั้งฟุ๊บแกลืมตัวไปเงียนะฟุ๊บ ม, มันรู้สึกอี แ, แกนอนนอนที่เดิมแกนอนอยู่ที่เดิมแกก็น้ำตาไหลไหลพาก็ อะไรเกิดขึ้นกแกนี่อะไรเกิดขึ้นแกลกไม่ได้ชั่วโมงนึงยังกระดิกตัวไม่ได้เลยมันแข็งมันไม่ไหตวัวค่อยๆพอได้สักสองชั่วโมงกว่าๆลบ ก, ก้นมากินน้ํากินน้ําไปเสร็จแกคว้ารถจะวิรีบขับมาหาอาจารเนี่ยมาที่นี่มาเล่าเรื่องนี้โอแกจะเป็นอะไรอาจารย์ว่าโอ๋อนี่ก็เรื่อทุกขตินิมิตตายแล้วยอมจะต้องไปตกนรกตรงเนี้ยแล้วผมจะแก้ปัญหาชีวิตผมยังไงเกี่ยวกับเงิน ก็เลยบอกวิธีกันวิจะทํำยังไงาง น, น, นี้เป็นต้ น, นเห็นไหมเนี่ยนี่ถือว่ามีบุญนะจะเห็นก่อนพอจะเปลี่ยนทันบางคนเปลี่ยนไม่ทันนี่เรียกทุกขตินิมิตนิมิตที่จะไปตกนรกมาปรากฏก่อนตายบางคนก็ปรากฏก่อนตายวันหนึ่งสองวันเจ็ดวันก็มีเดือนหนึ่งก็มีบางคนปีหนึ่งก็มีเนี่ถือว่าดีไหมมาปรากฏก่อนอย่างเนี้น เนี่ยกลับตัวฐานแต่บางคนเนี่ยพอมาปรากฏแล้วก็ไม่ไม่สนใจอะไรก็คิดว่าเฮ้ยกูฝันไม่ดีไปแต่ที่ไหนได้ดิเนี่นินมิตไม่ดีมาปรากฏเนี่ลักษณะเนี่ยพิจารณาเห็นภัยในบายก็เกิดความกลัวว่าเราจะเรายังไม่พ้นจากการไปเกิดเป็นสัตว์นรกนะสัตว์ทะเลาชานนะเปรตนะสุรกายนะแล้วไปเกิดเป็นคนบ้าใบาบอดหนวกนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนพินนนการเนี่ยนี่พิจารณาอย่างนี้ปุ๊บ แล้วก็สามารถยกตนออกจากอบายโดยการปาราบความเคียรอุ้ยไม่ยอมเด็ดขาดเราจะไม่ยอมตกอบายภูมิเหมือนเนี่ยท่าเนเลียนแชมก็เรียนรู้เรื่องศีลแล้วใช่ไหมถ้าไม่รักษาศีลรักษาศีลข้อแรกอะไรจะเกิดขึ้นเออถ้าผิดศีลข้อที่หนึ่งสสมสี่ห้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากมีศีลแล้วอะไรสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับพิจารณาพวกนี้เยอะๆถ้าไม่มีศีลก็ลงอบายทุกขติวิธบัตินรกยังไงเงี้ยเป็นต้นกระจายายังกระจายยังอะไเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยเป็นพิจารณาอย่างเงี้ยแล้วเกิดความเข้าใจถ้าถ้าไม่อยากจะมันจะตกนรลกพระจ้าหมูมันก็ปล่อยไปกลัวไหมหนูกลัวไหมกลัวไหมจะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรลกในกลัวหรือไม่กลัวงั้นก็ไปอ่านพวกนี้บ่อยๆใช่ไหมที่จดไว้บันทึกไว้เนี่ยอ่านบ่อยๆวัสึุขาวลูนีฮะมันสึกถาวลูกนี้ลูกกุศลกับลูกศรเนี่ย กนนีไหที่บรรยายที่แหละทั้งหมดที่แหละประการที่สองก็คืออนิสงอนิสังสะทธ ส, สาวิตาคือการเห็นอนิสงของคุณวิเศษถ้าตนเองบารอบความเพียรอย่างมุ่งมั่นเสมอการบรรลุคุณวิเศษก็ไม่เหลือวิสัยที่จะพึงมีได้ไม่บรรลุชาตินี้ก็ต้องไปบรรลุในชาติต่อไปเนี่ย อย่างที่พระเจ้าตรัสอวิริยนทุกขามาเจติบุคคลจะพวกล่วงทุกได้ก็ต้องอาศัยความเพียรมีปัญญาเสร็จปุ๊บก็เพียรได้และคำนเวิถีปัจเจเวคณาตาพิจารณาทางดำเนินที่ถูกต้องก็เกิดกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคทำให้ปารบความเพียรอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นไปสู่นทาง น, นั้นนองเออพิจารณาถ้ารู้ทางเดินแล้วกลัวไหมมั่นใจเลเนี้ คอเห็นทางเดินที่เราจะต้องดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางนี่พิจารณาเห็นทางเดินแล้วเห็นหด้อยางว่าถ้าฆ่าสัตว์เราจะกระแสชีวิตของเราจะเจ็บปวดยังไงถ้าลักทรัพย์ถ้าประพฤติผิดในกรรมถ้าพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจอ้อจะดื่มของมึนเมานะถ้าโลภถ้าโกรธถ้าเห็นผิดเนี่ย อบายทุกติวิริบาตในโลกทางดาเนินของเราจะเป็นยังไงและถ้าตรงกันข้ามเออทางดําเนินจกดียังไงนี่ทายัตชามหคตตาปัจเวกคณาตาก็คือพิจารณาข้างความยิ่งใหญ่ของความเป็นธรรมทายาทของตนเองและอนุชนรุ่นหลังต่อไปเออตนเองและบุคคลที่กําลังดํารงอยู่ในฐานะเป็นญาติบรรพเริฐของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธทายาทเป็นธรรมทายาทเข้าใจคําว่าได้บรรยายเรื่องธรรมทายาทแล้วใช่ไหม เราจะเป็นอมิสธาญาตหรือธรรมธาญาตฮะอมิสธาญาตแปลว่าอะไรอ่าถ้าถามนี่ตอบไม่ได้เรียบร้อยอมิสธาญาตคือคืออะไรทีร่ทาเออมิสเช่นเห็นอยากกินถ้าไม่ได้กินก็หน้าเงาหน้างอพอเขาเอาหมูเอาไก่จะไปนั่น โอ้โหโกรดเขาเลยนี่บวชมาเป็นได้แค่อมิสถานญาดีเพื่อได้กินดีๆนอนดีๆห่มผ้าดีๆได้ยาดีๆแค่นี้เองเลยไม่ได้ทาาาําทายาแทนที่จะเป็นทายาถึงธรรมะแทนที่จะได้ถึงศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ครับอา ม, มิสตาญา ด, าาดกับคนติดที่อยู่ไหมเสพบวชมาก็จะเสพที่อยู่ที่ดีๆ อาหารทีดีๆเครื่องนุงห่มดี่ดีๆนะยาที่ดีๆแค่นี้แหละคิดว่าเออบวชมาได้เป็นทรรญาติพระเจ้าก็คือบริโภคอามิ t h ที่พระเจ้ า, ยาทรงอนุญาตแต่ไม่ขวนขวายเพียรพยายามที่จะเข้าถึงธรรมะเป็นธรรมะญาติแต่จะเขาขวนขวายเข้าไปฝึกทําให้ได้ศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็ศรัทธานี่เป็นธรรมะญาติความเพียรก็เป็นธรรมะญาติสติก็เป็นธรรมะญาติ สมาธิและปญัญญาเข้าถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี้เขาเรียกว่าเข้าถึงความเป็นธรรมทานญาถ้าได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาระดับโลกียะก็เป็นเข้าถึงธรรมทานญาติระดับโลกียะถ้าเข้าถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาระดับโลกุตระก็เรียกว่าเข้าถึงธรม achi, ธรมทานญาติโดยความเป็นเข้าถึงโลกุตระฉะนั้นพวกเราต้องเป็นธรรมทานญาต เพราะพวกเราเป็นพุทธทายาทเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพุทธทายาทก็คือเป็นทายาทของปัญญามีปัญญานํามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นตัวนําชีวิตไม่ใช่มีโลภะโทสะมหาเป็นตัวนำเจ๊ะนะถ้าอย่างนั้นก็เรียกเป็นอามิสทายาทบางคนก็บวชมาก็เพื่อปัญญามิตรอมิตรคือปัจจัยสี่บางคนก็บวชมาเพียงแค่เกียรติยศชื่อเสียงลาภส ก, การะก็เป็นโลกามิตร ไ ป, ไปมาบางคนบวชมาก็มาติดอยู่ในวัตฏานี่แหละก็อยู่แค่แต่วัตามิตร ga, เลยไม่ได้ทํามาเข้าถึงความเป็นธรรมทายาทไม่ได้เป็นทายาตเดทับในศาสนาต้องเป็นอะไรเข้าถึงธรรมะเอก็ถึงธรรมทายาทนี่ทายาทช้มหาคตาปัจเวกขณตาก็คืออุปพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นพุทธทายาทของพระเจ้าอยิ่งใหญ่มากพระเจ้าอยู่ขนาดตอนอายุห้าขวบเนี่ย เออเจ็ดขวบเนี่ยทำสมาบัตรเลยแล้วฝึกดูลมหายใจเข้าออกทำสมาธิเกิดได้แล้วใช่ไหมเจ็ดขวบเรียนจบยังจบแล้วอายุเจ็ดปีเรียนจบเลยสิบหกปีแต่งงานเลยเ <Okay. S 1> จ้าชายสิทธาานยี่สิบเก้าออกบวชใช่ไหมสามสิบห้าตัสรุแปดสิบปรินิพัง โอ้โหชีวิตมีขั้นตอนหมดเลย้ลวตอนนี้เราเท่าไหร่ยี่สิบเก้าออกบวชโอ้ก็พอดีเลยเยเดี๋ยวสามสิบห้าตัดสรุจาำไว้นะยี่สิบเก้าต้องออกบวชเพราะเราเป็นอะไรเป็นพุท ธ, ธายาถ้าใจยะแหนแชมปยี่สิบเก้าทำอะไร เออออกบวนนะ่าจดบันทึกไว้ <c oughs> ต้องบันทึกไว้แล้วจะบรรลุเมื่อไรบรรลุสามสิบห้าสามสิบห้าก็บรรลุทำบวชกี่ปีหกปีบรรลุขยายยางแล้วบอมปีนี้เท่าไหร่ล้อีกหยาอีกห้ อยี่สิบเก้าก็บรรลุอะไรนะสี่ปีบรรลุไม่ใช่เอ้ยกลับไปศึก่อนแล้วยี่สิบเก้าก็กลับมาบวชใหม่อย่างนี้ไม่ดีไม่ทันการเพราะเราต้องใช้เวลามากกว่าบริจาคในบวชที่หลังพุทธเจ้าโอ้โหต้องเพียรอีกหกเจ็ดปีไหวไหมฮะยักยืดอัดแล้วใช่ไหมเห็นไหมเบื่อไม่ชอบการบรรลุ อ้าว <Thank> oh. สัตว์ถมหาคตตาปัจเวคขาตาพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพุทธคุณแห่งพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นพระหันของเรานั้นพระองค์ทรงมีพระไทยมุ่ง ม, มั่นด้วยความเพียรพยายามอย่างสูงสุดจึงสามารถบรรลุถึงความประเสริฐเหล่านี้ได้เราในฐานะที่เป็นพุทธบุตรเป็นธรรมทาญาติก็ควรที่จะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า บุคคลที่เกียรติค้านย่อมไม่เป็นที่สารเสริญของพระองค์เลยพุทธเจ้าจะไม่สารเสริญคนเกียรตค้านบุคคลที่ปาลบความเพียรเท่านั้นที่พุทธเจ้าสารเสริญมีชีวิตยอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นชีวิตที่มีแก่นสารโอ้ยเราต้องเพียรเราจะไม่เกียรติค้านแล้วเนี่ยพอพิจารณาถึงว่าเราเป็นอะไรพิจรณาถึงความยิ่งใหญ่เราเป็นพุทธทาญานี่เออพุทธเจ้ายิ่งใหญ่บรรลุความสําเร็จได้ด้วยความเพียร เราจะมาหย่อนยานเราจะไม่เกียร์คานไม่สมควรเกียรเราเลยพระเจ้าสะรรเสริญคนที่มีความเพียรเราต้องรักพระพุทธเจ้าอาสลว่างรักพ่อรักแม่กับรักพระพุทธเจ้าเรารักใครมากกว่านะรักพ่อรักแม่รักพระพุทธเจ้ารักใครมากกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเราบวชกับแม่ได้ที่ไหนเราเราบวชอุทิศใครอุทิศพระพุทธเจ้า มันนั่งแมแม่แมแม่แ ม, แ ม, แ ม, แม่นี่ไม่ได้เรื่องแล้วใช่ไหมั้นะพระเจ้ายิ่งใหญ่ก็คิจาถึงคุนนะชาติมหกากรตาปัจจัยคณาตาพิจารณาถึงชาติกําเนิดของตนเป็นใหญ่บอกว่าตนเองถือกําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ ก, กับชาติหนึ่งสมควรที่จะทําสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นจะได้ไม่เสียชาติเกิดเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนพระเจ้าเป็นนี่แหละโอ้โหเรายิ่งใหญ่มากบอกว่า การเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะฮดีที่สุดแล้วเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเพราะมน document, world, ุษย์สามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้มนุษย์สามารถเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าได้มนุษย์เนี่ยสามารถเป็นมหาสาวกก็ได้มนุษย์เนี่ยจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ได้โอ้มนุษย์ผู้ชายนี่นะมนุษย์ผู้ชายเนี่ยสามารถจะเป็นเท้าสกัดได้เป็นเท้ามหากรพรมได้ซึ่งผู้หญิงเป็นไม่ได้โอ้โหนี่เป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดยังไงล่ะ จะเป็นพุทธเจ้าก็ยังได้เลยเออเราเราเกิดในชาติที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะนี่เรงพิจารณาอย่างนี้มันจะได้เกิดกําลังใจไม่ใช่ทอ้อถอยอดพ อ, อยเยว์ตลอดเวลาเลยนีพระพรหมจารีมหาคตาปัจิวคณาตาพิจารณาถึงเพื่อนพรหมจารีผู้ประพฤติรำเป็นยิ่งใหญ่ว่าพรหมจารีทั้งหลายมุ่งมั่นปฏิบัติทําให้ถึงที่สุดสามารถพ้นจากว่าจะทุกได้เนี่ย ตัวเรามาเกียรติค้านไม่เหมาะสมเลยพิจารณาถึงภาษารีบุตรพระโมคคารนะพระ อ, อนอนทพระมหากสสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยโอ้โหระดับสัพพรมจารีผู้ใหญ่ของเราเนี่ยท่านขวนขวายเพียรพยายามบรรลุกันได้หมดเลยเราจะไม่เกียรตค้านไม่สมควรกับเราเลยนี่พิจารณาอย่างนี้กุสีตากุศลประพฤติป ร, ริวัติชนะตาเกลีกเว้นห่างกายจากคนเกียรค้าน ไม่คบคนเกลียดค้านเดี๋ยวเราจะทําให้เราติดนิสัยคนเกลียดค้านจะทําให้ไม่สามารถบรรลุได้นั่นถ้เจอคนเกลียดค้านไม่เอาอยู่ห่างๆบอลเป็นคนขยันเลือเกลียดค้านฮะไม่ไม่ขยันโอ้โอยู่ห่างๆไว้ไม่ได้เรื่อง <laughs> อยู่ใกล้ไม่ได้นี่อยู่ใกล้ไม่ได้เกลียดค้านหรือขยนันนะ่าเกลียดค้านหรือขยันคิดเกลียดค้าน <laughs> โอตายเลยเนเฮ้ยทำไปรอบรอบข้างเรากลายเป็นคนอย่างนี้ไปหมดนะไม่ได้เรื่องเลยนี่อารัธวิริยะปุคราเสวนตาการคบบุคคลที่ปาราบความเพียนนะเร่งรุดไปสู่ความหลุดพ้นเพื่อความการกบหาบุคคลเช่นนั้นแล้วก็จะทำดัมบลิในการที่จะปราบความเพียนเนาะก็สุดท้ายก็คือตาทิมุตตาตาก็คือน้อมจิตไปในวิริยะสัมเพอชงเมื่อบุคคลน้อมจิตไปสู่ความเพียนอยู่เสมอ น้อไปสู่อรัปธาธาตนิกรรมธาตุปรา ก, กรรมธาตุปารอบความเพียรตลอดไม่หยุดที่สุดจริงๆจะประสบความสําเร็จไม่ยากนี่คือพูดถึงนี่แหละของวิริยะบารมีนะวิริยะบารมีแม้วันนี้วิริยะบารมีเลยสองวันเลยนะต่ตอนบ่ายก็ต้องขันติบารมีพูดถึงขันติวาทนะีมีใครสงสัยเรื่องความเพียรไหม เก็บประเด็นตรงไหนบ้างที่ยังไม่หมดเรื่องความเพียรก็พยายามเก็บให้เต็มที่นะเก็บให้เต็มที่ว่าตรงไหนยังอาจจะหลุดหรือยังไม่ได้พูดเรื่องความเพียรนะอ้าแลสมควรแก่เลวลา